วันนี้เป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือนส2องตรงกับวันที่วันที่17พฤศจิกาห้สองวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเรานะถ้าว่าจะเป็นวันปฏิบัติธรรมก็คือวันปฏิบัติธรรมถ้าเป็นวันรักษาศีนก็คือวันนี้เป็นวันรักษาศีนของพวกเรา แต่โดยมากชาวพุทธของพวกเราเนี่ยโดยมากถือปรมาติย์เกินไปวันไหนทำดีวันไหนกับวันนั้นเป็นวันดีแต่พอไปมากก็เลยไม่ไม่ไมยักจะทำดีใช่ใช่ใชเออวันไหนก็ทำดีได้เลยไม่ยักจะทำดีโดยมากมันจะไปทางชั่วจะมากกว่าทีนี้แต่รีวิแต่ละวันคิดไปในทางชั่วทำไปในทางชั่วพูดไปในทางชั่ว พอเราประมัิเกินไปมันมัดแข่งมัดขามัดจิตมัดใจไปในทางที่ไม่ดีว่างั้นไม่เหมือนทางศาสนาอื่นเขาศาสนาอื่นเขาทุกวันอาทิตย์เขาจะต้องไปวัดเขามีกฎทุกวันหนึ่งต้องทำไหว้ไดะลึกถึงพระเจ้าห้าครั้งแต่พุทธศาสนาของเราเนี่ยโดยมากเราก็จะบอกเออวันพระ 8ค่ำสิบห้าค่ำนะเป็นวันธรรมัสวนณะเป็นวันรักษาศีลเป็นวันปฏิบัติธรรมอันนี้ก็คือพวกเราก็ไม่ได้มีการบังคับอีกกระสุดแท้แต่ผู้มีศรัทธาเข้ามาผู้เห็นคุณค่าในการทำคุณงามความดีอันนี้ผู้เป็นปาด ผู้มีปัญญาเท่านั้นผู้เห็นคุณค่าเท่านั้นจึงจะลงมือประพฤติปฏิบัติได้แต่โดยมากก็บติดนั้นติดนี้ของนั้นของนี้ไอ้เรื่องไม่เป็นน่าจะคล้องมันก็คล้องไม่น่าจะติดมันก็ติดเพราะเหตุไรเพราะกิเลสพาติดว่างั้นอะเหมือนกับเราเกิ่งก้อนหินขึ้นบนภูเขาลักษณะอย่างนั้นอะท่นมา การทำคุณงามความดีนะัเหมือนกับกลิ่งของกลมกลมขึ้นบนภูเขาแต่การทำความชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วนะคาว่าชั่วเขาไม่ไมใช่ว่าจะเสียหายจนถึงกับฆ่าคู่ฆ่าคนถึงขนาดนั้นความว่าคิดชั่วในหลักของพุทธศาสนาเนะี่ยมันมีหลายระดับนิดหน่อยก็มีกลางก็มีใหญ่ก็มีนั แต่ว่าคิดไปในทางดีเหมือนกันดีน้อยดีกลางดีใหญ่ดีมากอันนี้ก็มีอีกธรรมก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องสูงสุดมันก็มีอีกเพราะนั้นการที่จะไหลลงทางต่ำคำนี้เนะี่ยมันก็มีทุกระดับอีกเหมือนกัน ไหลน้อยหลยกลางหลใหญ่ยังไงดีก็เหมือนกันดีน้อยดีกลางดีใหญ่ออกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราโดยมากมันจะไหลไปในทางต่ำความคิดเรื่าการกระทาการพูดของเราไปทางต่ำานี่ยมันง่ายมันก็กลิ่งก้อนหินกลมกลมลงบนภูเขาลักษณะอย่างงั้นแต่ที่จะกลิ่งขึ้นบนภูเขาเนะ่ยมันกลิ่งยาก การสั่งสมคุณงามความดีเพราะนั้นหลวงพ่อยึงเปรียบเทียบว่าที่จะเข้ามาวัดวาศาสนาหรือจะไม่เข้ามาวัดวาศาสนาก็เถอะนะเราอยู่ในบ้านของเราเออวันนี้เป็นวันธรรมสวรรณะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าที่ท่านให้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธบริษัทสีของพระพุทธเจ้า ให้รำลึกถึงวันสําคัญคือวันแปดคำ่ำสิบห้าค่าอันนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติมาเป็นวันธรรมสวรรค์คือวันปฏิบัติธรรมของพวกเราตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแต่ น, นี้ถ้าจะย้อนไปอีกว่าวันธรรมมสวรรค์นี่ทำไมเกิดขึ้นมาได้อย่างไรหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่เกิดที่มาที่เป็นที่ไป อันนี้สมัยที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ใหม่ไม่นานคือศาสนาอื่นในยุคนั้นสมัยนั้นก็มีก่อนมาแล้วอย่างศาสนาพราหมณ์อย่างนี้ เ, เรียกว่าศาสนาอื่นๆในยุคนั้นคือว่าศาสนาที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าโด่งดังในสมัยนั้นแข่งขันกันก็นกมีอยู่หศาศาสนาที่หลวงพ่อได้ศึกษาในพระไตรปิฎกนะพวกนี่นะ มัคคิริโคสารสนใจเวสบุตรน่ะนี่แหละอันนี้ก็พบพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาในยุคส ม, มัยนั้นเขาก็ต้องมีวันของเขาอีกเหมือนกันว่าวันปฏิบัติธรรมหรือวันประชุมกันวันที่มานัดพบกันที่มาจะได้กล่าวธรรมะหรือว่าแนวความคิดให้แก่สาวกสาวิกา ของศาสนาแต่ถ้ศาสนาเขาฟังแต่นี้พระเจ้าพิมพิสารได้มาฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้ามาโปรดที่กรุงราชคฤห์เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสจนได้สำเร็จเป็นพรัสดาบันพระเจ้าพิมพิสารได้สําเร็จเป็นได้พรัสดาบันพระพุทธเจ้าพิมพิสารเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าคาร ศาสนาอื่นเขาก็ยังมีวันนัดพบกันพุทธศาสนาเนี่หม่อมฉันว่าข้าพระองค์ว่าน่าจะมีวันธรมรมสวรรคฟันปฏิบัติธรรมพระพุทธองค์เห็นสมควรประการใดหนอพระเจ้าข่า น, ะนี่แหละพระพุทธองค์ก็เลยได้เรียกประชุมเสร็จแล้วพระองค์ก็บัญญัติว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพุทธบริษัทสี่ควรจะมาประชุมหรือว่า มาปฏิบัติธรรมหรือมาเสวนาเสวนาคือการใครมีความข้องใจเรื่องอะไรก็จะได้มาพบมาคุยกันมาสนทนาปารับกันเรื่องธรรมะถือคำสอนของพระพุทธเจ้าใครไม่เข้าใจจุดไหนก็จะได้อธิบายให้กันฟังอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาวัดอย่างนี้มาสู่วัดภาสสนามาสู่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อในนามของพระสงฆ์ ในศึกษาในทำคาสอนของพระพุทธเจ้ามากกว่าพวกเราทำไมจะว่ามากกว่าเพราะว่าพวกเรามีธุระการงานทำการทำงานทรมาค้าขายทำมาหาเลี้ยงชีพมกมุ่นอยู่กับหน้าที่การงานเพื่อหาเครื่องเลี้ยงชีพแต่ฝ่ายพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อเนี่ยมีแต่ฝ่ายธรรมะศึกษาในภาคปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญา เรื่องทานศีลภาวนาในหลักของพุทธศาสนาหลวงพ่อรู้สึกว่าได้มีโอกาสหรือว่ามีเวลาศึกษาทางนี้มากกว่าพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้เข้ามาหลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังว่าพุทธศาสนามีคุณค่ายอย่างนี้นะมีประโยชน์อย่างนี้นะทำคําสั่งสอนคํานี้นะเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องนี้นะเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้นะอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟัง อย่างว่าวันธรรมสวรรคอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรพวกท่านทั้งหลายก็คงจะไม่รู้อีกเหมือนกันแต่ลุงพ่อได้ศึกษาในอ่านในพระไตรปิฎกก็มาเล่าสู่พวกเราฟังว่าวันธรรมสวรรคคือวันแปดค่ำสิบห้าค่ำเนี่ยต้นเหตุคือพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้กราวประราธนาพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็เออใช่เห็นพ้องต้องอกับที่พระเจ้าพิมพิสารพระพองค์ก็บัญญัติ ขึ้นม า, าเออตั้งแต่ปั บ, บันนี้เป็นต้นไปพวกอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทสี่ควรจะมาประชมุมหรือหาหรือกันไม่ไม่มีความเข้าใจจุดไหนก็จะได้เสียวนากันจะได้พูดคุยกันจะได้ปรัรบเรื่องธรรมคําสั่งสอนของพระศัสดานี่คือวันธรรมสาวันะเพราะนั้นพวกเราถึงวันนี้ถือว่าเป็นวัน ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระพุทธเจ้าบอกกล่าวให้แก่พุทธบริษัทศีมาพร้อมกันแล้วก็บพระองค์ก็บอกว่าวันธรรมสวรรค์อย่างนี้ควรอุบาสกอุบาสิกาก็ควรจะไหว้พระและก็สมาทานศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้าเป็นศีลอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ศีลแปดมีความอุตสาหะวิริยะกว่านั้นก็รักษาศีลอุโบสถศีลเพื่อชําระ วาจากายวาจาของเราให้สะอาดคือศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษศีล น, นี่แหละอันนี้คือศีลของครวญญาติโยมส่วนศีลพระสงฆ์นั้นก็คือศีลสอง้ยี่สิบเจ็ดศีลสอง้ยี่สิเจ็ดนี่ทุกวันทุกสิบห้าคำวันนี้เราเป็นวันอุโบสถของพระอะไรอย่างวัดของเรานี่ก็ประมาณชักบ่ายห้าโมงพระสงฆ์ทั้งหมด อยู่ในวัดหรือว่าอยู่ในละแวกที่ใกล้ก็จะมารวมกันพอมารวมกันเสร็จแล้วก็จะมีการไหวพระย่อจากนั้นก็สวดพระปฏิโมกข์คือทบทวนศีลของพระอีกวันนี้วันนี้ลนะ่ะชุกทุกสิบ้าวั น, นพระสงฆ์ก็จะต้องมานั่งตั้งแต่หลวงพ่อเป็นต้นไปการมีพระขึ้นมาก็สวดพระปฏิโมกข์ทุกองก็ต้องประนั่งปนมมือเน่งฟัง คือพระพุทธเจ้าบัญญัติสินบัญญัติให้พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติคือทบทวนทท่นเีเมื่อทบทวนสินปาลาชิกสังคาทิเศส น, นิยยศนิสกียาปาจิตติปาจิตติ2าสปฏิเทจนิยสี่เสกิยวะจรวมเป็น227ยสิกขาบทแต่เมื่อจบแต่ละแต่ละกลุ่มจบแต่ละกลุ่ม พระสงฆ์องค์ที่สวดท่ามว่าพวกท่านทั้งหลายบริสุทธิ์ในศีลเหล่านี้แล้เหลือถ้าพวกท่านทั้งหลายไม่บริสุทธิ์ในศีลก็ให้แสดงถ้าบริสุทธิ์แล้วข้าพเจ้าผู้สวดผู้ประกาศนี่เห็นพวกท่านทั้งหลายนิ่งไม่มีแสดงอะไรข้าพเจ้ารับคํานิ่งของพวกท่านทั้งหลายว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วในกลุ่มนี้ข้าพเจ้าจะได้สวดบอกประกาศเป็นกลุ่มที่สองต่อไปท่านก็สวดไปเรื่อย จนถึงเจ็ดกลุ่มว่างั้นนะนี่แหละคือพระสงฆ์สวนพระปฏิโมกในวันนี้อันนี้ก็คือพระสงฆ์ท่านก็ไม่ได้อยู่เดียวอยู่เฉยๆเหมือนกันเหมือนกับคราวาดญาโยงคราวาดญาโยงถึงวันพระก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องรักษาศีลโดยอัตโนมัตินนคือวันธรรมสวรรค์เป็นวันธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติใหอ้อุบาสิกา ผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายควรจะยึดอะไรเป็นหลักนะท่านคนเราถ้าไม่มีหลักยึดจริงๆก็เป็นคนหลักลอยเป็นคนหลักลอยเป็นคนหากทหาเกณฑ์ไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีกฎเกณฑ์อย่างนั้นจะเป็นคนดีได้ยากอย่างคนสมัยโบ ร, โบราณเขาจะสร้างบ้านแปลงเมืองที่ไหนเขาจะมีสารหลักเมือง ให้เราเป็นที่ยึดเหนี่ยวของทางด้านจิตใจของชุมชนในกลุ่มนั้นเนี่ยในหมู่บ้านเขาก็มีหลักบ้านเอเอนในเมืองใหญ่เขาก็ตคงมีหลักเมืองอย่างนี้นแต่คนเราทั้งคนเนี่ยจะไม่มีหลักใจเสเลยเนี่ยหลักรอยเนี่ยจะเป็นคนดีได้อย่างไรไมันต้องมีหลักเราจะยึดหลักอะไรเป็นหลักเออถ้ายึดความชั่วเป็นหลักมีแต่ถลําไปในทางที่ไม่ดีทะลึก ยึดตัพความดีนั่นสิยึดความดีคื อ, อไรยึดตรัพธรทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติพระธรรมคําสอนมาแล้วพวกเราได้วิเคราะห์เป็นทุกคเป็นสมัยมาถึง2552ปีต่างคนก็ต่างยอมรับว่าทรรำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระธรรมที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับโลก ไม่มีใครไม่มีทำคําสอนแม้แต่คําเดียวที่จะให้ทําลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งหรือโลกในยุคใดยุคหนึ่งมีแต่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขท่าผู้ปฏิบัติตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างศีลห้าเนี่ยอย่าฆ่ากันนะเนี่ยคําว่าอย่าฆ่ากันไม่ใช่ว่าอย่าฆ่าในาก้อนะแต่ฆ่าในาขอไม่เป็นไรนะไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าในายกอมันับถือเราฆ่าในกอก็ได้อไม่ผิดอย่างนี้ไม่ได้คือพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าอย่าฆ่ากันนะตั้งแต่ตัวมดตัวมแมลงตัวสัตว์ถ้ามีวิญญาณนถ้ามีวิญญาณอยู่ห้ามฆ่าถ้ามันกระดุกกระดิกได้แสดงว่ามันมีวิญญาณพิกษุไปฆ่าสัตว์เเนี่ยอถึงจะฆ่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวลูกยุงอย่างเนี้ท่าพระนไปฆ่าเนี่ยปรับอบัติปลายจิตตี ให้พทุทธบริษัทบอกชีวิตของเขามีคุณค่านี่แหละพระพุทธองค์เห็นคุณค่าของสิ่งสปปรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะคือไม่ให้ฆ่าสัตว์นี่แหละเขาฆ่าเราเราฆ่าเขานะเรามองดูซิว่ามีคุณค่าขนาดไหนถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็เฉยเพราะว่าเราได้เปรียบเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าเราล่ะเขาเฉยเลยเราจะมีความทุกข์ขนาดไหน เราเสียเปรียบหรือว่าเราเขามาทําให้ร้ายเราน้ํามือของเขานะี่ยนี่แหละทําคําสอนของพระพุทธเจ้าหน้าถ้าเรานํามาวิเคราะห์ดูเป็นข้อข้อหรือว่าเป็นคำคำหรือว่าคําต่อคําที่พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธนั้นล้วนแล้วจะเป็นเครื่องนำไปชายชนและพวกเราท่านทั้งหลายให้ได้รับความสงบพร่อมเย็นเป็นจุกท่วนหน้ากัน ถ้าผู้ปฏิบัติทำแต่ว่ามันยากเหลือเกินอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าการที่จะทําคุณงามความดีนะเหมือนกับกลิ่งคกขึ้นบนบนภูเขาและกลิ่นกลิ่งก้อนหินขึ้นเขาแต่ว่าการทําความไม่ดีนะมันกลิ่งลงข้างล่างไม่ต้องกลิ้งมันก็นไหลลงเองมันงั้นแออใจของเราให้พวกเราสังเกตดูไม่ต้องสังเกตคนอื่นนะที่พูดให้ฟังเอที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนี่คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านพูดเป็นกลาง แต่นีท่านเรานำทำมันเป็นกลางนั่นน่ะมาเปรียบเทียบกับเราจริงไหมแอมจริงไหมที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นจริงไหมใจของเราถ้าเป็นสิ่งไหนนีอวันนี้เหนื่อยไม่ไหวพระหรือวะนอนซะก่อนเนี่ยมันไหลไปทางต่ำแลยแต่เราสู้เอ้ยเรายัางกินข้าวยังกินทุกวันทำคุณงามความดีเราจะไปขาดได้ยังไง ก็ต้องทําสิะอันนี้เราฝืนเออโดยมากมันจะฝืนนั้นอย่างนั้นได้กี่ครั้งอะไทีนี้โดยมากมันจะไหลไปทางต่ําใช่มากกว่าเผลอๆวันนี้เป็นวันเอพระเป็นไหวพระนะวันนี้นะเออวันนี้เหนื่อยเหลือเกินวะเออเผลอๆยังปนมือขึ้นมานอนแล้วฮะเออข้าไปเจ้าไหวพระเมื่อวานนี้ไหว ย, ยังไงเข้าไปเจ้าไห ว, ยย อ, ว อ, อ, อย่างเมื่อวานนี่แหละเออคําพูดจากเมื่อวานนะทุกอย่างให้เหมือนเมื่อวานน่ะ ซาทุถึงนอดต่อไปเลยเนี่เน่ยโดยมากมันจะเป็นอย่างนั้นอืมไอ้ข้าว่ากิเลสมันเอาทางรัดเลยว่างั้นเ่อะไอ้จางไหนทางนัดมันจะเอาทางนั้นกิเลสนะไปทางต่ำํำเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถึงวันพระวันธรรมสวรรค์นะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้พุทธบริษัทยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายควรจะล้ำลึกเออต่อกุญงามความดีอย่างน้อยก็ให้มีศีลห้าไว้วันนี้จากนั้นก็ไหว้พระสวดมนต์ ออยจากนั้นทํามากกว่านั้นก่อเออวันนี้เป็นวันพระควรเราควรจะนั่งสมาธิสักสิบนาทีได้ไหมแฮะจากนั้นก็ไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งสงบจิตสงบใจกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทอันนี้ก็นับว่ายังเป็นพุทธบริษัทที่ยังนํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติอยู่กนาา็นับว่าเป็น อุบาสิกุบาศิกาที่ดีในระดับหนึ่งไม่ตกขอบไปเลยว่า ง, งั้นแต่ถ้าพวกเราไม่มีวันไหนทั้งหมดอยู่เป็นวันๆไปไม่มีอะไรเลยอันนั้นหลวงพ่อว่าตกขอบนะท่านอยู่ทา่านอูแบบมีธรรมะอยู่ในจิตในใจนั้นจะจะมีประโยชน์กว่า ที่อยู่เป็นวันๆที่ไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนัทธายาทโยมทุกๆท่านนะอย่าลืมศีลธรรมมากจนเกินไปให้ระลึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในใจเสมอหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราทุกท่านก่อนหลับก่อนนอนควรจะไหว้พระอย่างน้อยไหว้พระสะกอดพอไหว้พระจบกลางคืน่เราจะสมาทานศีลห้าเลยก็ได้นะออออในคืนนี้ ข้าพเจ้าจะรั ก, รกษาศีลห้าตลอดคืนเถิดคือสัจจะอธิษฐานเ อ, อถึงคืนนั่นแหละเราจะไม่ทําอะไรแล้วว่างั้นเถิดถ้าเป็นชาวบ้านกับเวลาฝนตกกลางคืนก็ไม่ไปไต้ปลาใต้กบว่างั้นเถิดพรรักษาศีลแล้วออะเกลางคืนว่าเราไม่ตบยุงตบปลิ้นแล้วไม่เอาไฟเป็นนปวกรนมดว่างั้นเถิดเพราะรักษาศีลแล้วนะอย่างนี้แหละพวกเราสมาทานศีลได้ก็ดี อันนี้ก็คือเป็นสิ่งบ่งบอกถึงคุณงามความดีของพวกเราเหมือนกันสินสมาธิทำจิตใจให้สงบถ้าพวกเราจิตใจสงบจิตใจดูกับตัวแล้วมันไม่ปุ้งไม่ฟุ้งไม่ซ่านแล้วต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเท่าแก่ชราใจของเราก็จะเน่งก็จะสงบไม่หุ่นไม่วายรู้เท่ารู้ทันรู้ชีวิตของพวกเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายเออชีวิตก็มีเท่านี้แล่ละ ข้าพเจ้าจะประคับประคองชีวิตของพวกตัวเองเนะี่ยไม่ให้เดือดร้อนใครอื่นเขานะี่ยไม่ให้เดือดร้อนลูกหลานเนะี่ยลูกหลานผู้อยู่ใกล้ก็เฮ้ลูกศานที่มีศีลมีธรรมเป็นศีลเป็นธรรมเขาก็ร่มเย็นเป็นสุขนะเว่นเสียแต่ลูกหลานของเราเป็นเฮ้ยิ้งเป็นลูกหลานที่ไม่ดีก็มีอีกเหมือนกันนะั่นแหะเออเอารัดเอาเปรียบพ่อแม่เพราะนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนก็นเหมือนกันให้มองพ่อแม่เหมือนกันนะอย่าไปมองอย่างอื่นนะ พ่อแม่ถึงถ้าท่านจะปัง ป, ง ป, งปงเป๋ไปบ้างเราก็เหมือนกัน่ะต่อไปภายภาคหน้านะเมื่อเท่าแก่ชรามาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อเองมองผู้เท่าผู้แกเนี่ยมองไปอีกมุมหนึ่งนะมองไปอีกมุมหนึ่งให้ความเคารพนับถือถึงท่านสมัยก่อนท่านก็เข้มงวดขวดขันเป็นพ่อเป็นแม่ของเราแต่ต่อไปเมื่อเดี๋ยวนี้ท่านแก่ชราแล้วจะท่านจะให้เหมือนแต่ก่อนก็คงเป็นไปไม่ได้ เราก็เหมือนกันนะ่ะเหมือนกับท่านนะั่นเพราะความแก่ความนี้ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้แต่ถึงยังไงพวกเราให้เคารพ บ, บูชาพระคุณของท่านไว้อยู่ในจิตในใจนั่นแหะความเจริญรุ่งเรืองความสงบพรมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นอันนี้คือว่าเป็นผู้มีหลักใจนะยึดคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเรื่องยึดยึ ด, ยดเรื่องศีลเรื่องธรรมยึดเรื่องพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นเครื่องยึดทางจิตใจพวกเราอยู่ในสถานที่ใดหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขทำมาค้าขายสิ่งไหนไปที่ไหนก็เป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขทั้งหมดนะถ้าพวกเรามีหลักจิตหลักใจในจิตในใจฮะแล้วก็พร้อมกันก็อย่าลืมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเรื่องสมาธิเนี่ยนะสมาธิในพวกเรารู้สึกว่าจะห่างเหินพอสมควร หลักสมาธิเนี่ยนะคือสลักทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจไม่ให้ปุงฟุงซ่านกําหนดลมหายใจเข้าออกเนี่แหละถ้าพูดอย่างนี้ขึ้นมาเหมือนกับเป็นของไกลจากพวกเราแต่ความจริงมันใกล้นะมันอยู่ในลมหายใจเข้าออกกําหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยถ้าเราพยายามให้สม่ําเสมอพยายามทําให้ติดต่อพยายามให้ต่อเนื่อง ต่อไปภายภาคหน้าที่เนีนเราจะเห็นคุณค่าในการทำสมาธิของเราถ้ามีอะไรมากระทบกระแทกกระทั่งขึ้นมาเราก็เหมือนกับมีเกาะมีเครื่องกำบังในจิตในใจของเราไม่ไปสุดต่งว่างั้นเถิเนี่ยถ้าเราไม่เคยกำหนดไม่เผยภาวนาเฉลยถ้ามีโรค ก, กระทําีเนี่ยเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาเข้ามาหรือว่าทุกเข้ามาอย่างนี้ มีประสบอุบัติเหตุในเรื่องทุกผู้ที่อยู่ใกล้เราพัดภาคจากหลงไปอย่างนี้เราจะเป็นบ้าเป็นบอกับสิ่งเหล่านั้นกับท่านเหล่านั้นกับเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้าเรามีทำเรื่องสมาธิทรมันจะวิ่งป๊อบเข้ามาหาสมาธิเราจะรู้เท่ารู้ทันเลยทีนี้รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักเขารู้จักเรารู้จักเรื่องควรทํำยังไงไม่ควรทํำยังไงในขณะที่มันเกิดขึ้นนั้นนั้นไง เราจะรู้ได้นะถ้าจิตใจของเรามีสมาธิมันจะเกิดปัญญาความรอบครอบขึ้นมาในในขณะนั้นด้วยนะวันนี้หลวงพ่อได้ให้แนวความคิดแก่พวกเราท่านทั้งหลายตั้งแต่เริ่มแรกวันนี้เป็นวันทรรมวัฒน์วนะเป็นวันพระเป็นมาอย่างไรจากนั้นพวกเราควรปฏิบัติตนอย่างไรในวันทรรมวัฒน์วนะอย่างนี้แล้วให้ประกอบคุณงามความดี ให้มีทานมีศีลมีภาวนานสรุปแล้วก็คือให้อย่าประมาทนอนใจจนเกินไปเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยมันมันมาไม่รู้วเป็นวันไหนที่จะมาถึงพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีเอาไว้อย่าประมาทในชีวิตของพวกเราอย่าตั้งใ่ในความประมาทจนเกินไปนะต่ อ, ตอ น, นี้ไปรับพรนะตนนีอนุโมทนาให้พร